ชาวิสัชนาธรารมกับท่านรองการและรองตักขีนารโยนสอนรู้ที่จิตลกที่จิตต้คอยระวังอย่าให้ลูกปจ่ายเงินเขาไม่ตอบเกี่ยวกูบฟันลูกให้โกรธใ่ระหว่างทางก็ต้องเพียงแต่ดูแลเขาส่งเสริมเขาให้เราเรียนเขียนอ่านแล้วก็ ให้อบรมส อ, สอนคอยดูแลเขาให้เขาเป็นคนดีอย่าผิดศีลผิดธรรมแต่ก็เต็มเงินไว้ให้เขาได้เล่าเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่เขาจะเล่าเรียนได้นั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยต้องคอยรู้ทานในขณะปัจจุบันปัจจุบันที่ใจแมบไปกอเกี่ยวพัวพันไปกังวลไปวุ่น ว, วายก็จะทำให้เสื่อมจบทาตกจากภูเขาพระนิพพานต้องรีบ รู้ต่อทันได้เร็วลุ้ยเร็วล่าเร็วหัวใจแว บ, บไปหาลูกหาสามีไปวุ่นวายไปหงุดหงิดไปรับไปชางไปเกาะเกี่ยวพัวพันในขณะจิตนั้นๆเนี่ยต้องรู้ต่อทันได้เร็วลู่ทันปับ๊บสลัดทิ้งหลุดเลยรู้ทันปั๊บสลัดทิ้งออกจากใจรู้ทันป๊บสลัดทิ้งออกจากใจทำแต่หน้าที่ที่สมบูรณ์ทำหน้าที่ภรรยาที่สมบูรณ์ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์เจอบรมสอนลูกให้เขาเป็นคนดีให้เขาอย่าผิดศีลผิดธรรมไอเขาขยันเราเรียนเขียนอ่านไอรู้อะไรถูกผิดอะไรควรไม่ควร ให้รู้จักสามารถเอาชีวิตรอดได้แล้วก็ทรงเสียให้เราเรียนจนสูงที่สู ง, สงสที่สุดทีที่เขาควรจะเป็นให้นำพากันสวดมนไหว้พระเดินสมาดังสมาธิเดินโยมโกมพ Ghost ขุสปฏิบัติธรรมบัณฑ์ก็หาครูบาอาจารย์ผาก็หาครูบาอาจารย์ถ้าเราทําได้อย่างนี้ก็เรียกว่าทําทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ในครอบครัวประโยชน์ในหน้าที่การงานช่วยเหลือเกือกูลผู้อือน่นช่วยเหลือลูกช่วยเหลือสามี ต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งการและการลูกก็ช่วยเหลือแม่สามีก็ช่วยเหลือภรรยาช่วยเหลือลูกต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งการและกันก็จะมีความสุขนะมีความผาสุขการปฏิบัติอย่างนั้นถูกต้องแล้วแล้วก็ตอนปลายเนี่ยมันจะแต่อที่จะมีอุปสรรคขัดขวางที่สุดก็คือปล่อยวางสังขารร่างกายตัวตนไม่ได้เพราะฉะนั้นึงเร่งพิจารณาแต่สังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่เที่ยงพิจารณาอย่างเงี้ยซ้ำซ้ำๆ้ำๆ้ำซ้ำซ้ำซ้ำ แล้วก็รู้ตระทันจิตที่ไปเกาะเกี่ยวพัวพันไปวุ่นวายไปงุนงงไปลำพัอไปกังวลกับลูกกับสามีอันนี้ต้องรู้ตระทันได้เร็วๆแล้วก็กลับมาพิจารณากายเพราะจิตมันแล่นไปหาลูกหาสามีก็รู้ตระทันได้เร็วๆแล้วก็กลับมาพิจารณากายกลับมาตรงพิจนากายอยู่ตลอดเวลาอย่างตอนนี้ไม่ขาดสายไม่ว่ากายจะทําอะไรก็พิจนากายอ ย, อย่างนั้นแหละร่างกายเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยง ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหน้าเปลือยผูพังสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟแล้วก็เป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่ากลับคืนสู่ความว่างของจักรวาลพินาศซ้ํา ๆ, ๆๆกลับมาที่ร่างกายอีกน้อมกลับมาพาะไม่เหลืออะไรแล้วก็กลับมาที่ร่างกายให้แก่เจ็บตายน้เปลือยผูพังสลายแยกออกแยกร่างกายออกเป็นทุกชิ้นส่วนไม่ให้เหลืออะไรเลยแม้แต่โครงกระดูกก็ไม่ให้เหลือเป็นโครงกระดูกแยกโครงกระดูกออกให้เป็นทุกชิ้นส่วน อาไฟเผาให้เป็นขี้เท่าซูรีแล้วก็ไปลอยลอยอังคารลอยน้ําหรือทิ้งไปแนะลอยอากาศหายไปหมดสิน้นไม่เหลืออะไรแล้วกลับมาพินาศซ้ำอีกแต่ระหว่างพินาศใจมันก็จะไปแปรไปหาสามีไปหาลูกไปเก่อเกี่ยวไปพัวพันไปกังวลแล้วก็รู้ทันอีกทูทันอีกรู้ทันให้เร็วละแล้วกลับมาพินาศร่างกายไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงซ้าๆๆเงี้ยมัิจานอุปสรรคไปได้หมดเลยถึงจุดถึงที่สุดของมันนะ ตองแล้วล่ะของกรผมกลับมาเริ่มต้นภาวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับ่บ า, าแนวทางที่ผมกำลังประพฤปฏิบัติอยู่นี่อขอหลวงตาปดชี้แนะด้วยว่าแนวทางถูกต้องอยังไงบ้างครับมันไม่ทึบๆบ้าละเจ แค่ที่ทึบๆเป็นเพราะหนักไปได้ความมุดหงิดไม่พอใจข้างหนไม่พอใจจริงนั้นไม่พอใจสิ่งนี้ไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจนี้หมุดหงิดลำคาลมันหนักไปใน ด, ด้านมุดหงิดลำคาลการปฏิบัติที่ถูกต้องคือจะต้องสิ้นกิเลสทุกขณะปัจจุบันสิ้นกิเลสอะไรก็อย่างนิวรห้าอย่างเงี้ยนิวรห้ามันก็มีห้าตัวห้าหมวดสิ้นความเพลิดเพลินจเจริญใจไปทางตาหูจมูกลินกายใจ นวันห้าคือไปในความที่ติดใจยินดีเพื่อเพเลินเจริญใจไปติดรักติดเปิดเพลินติดความรุ่มหลงไปในต่างๆหูจมูกลิ้นกายใจติดเพลินคิดไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าติดในทางเพลินการประันชาก็สองโทสะก็คือติดไปในทางที่ไม่พอใจหงุดหงิดลำคาญใจแต่ความไม่พอใจโทสะนี่มันเป็นโทษถึงกับโทสะเป็นอาการแคบปัญญาบาทถูกแก้เจ็บเลย ส่วนข้อรามเป็นข้อสามคืออุตจักขุบุจักหุดหงิดนี่หุดหงิดลำคาญใจฟุ้งซ่านหุดหงิดลำคาญใจฟุ้งซ่านแต่เราเป็นผู้นักปฏิบัติจริงต้องรู้ทันใจเี่ยวที่หุดหงิดลำคาญใจฟุ้งซ่านรู้ทันไล่เร็วล่าเร็วล่าเร็วลุยเร็วล่าเร็ววัเกิดขึ้นลุยเร็วล่าเร็วอย่าเข้ามาเหมือนเมฆบังใจได้เหมือนขาดคะแนนเทียบกับการปฏิบัตินะการปฏิบัติไม่ได้ไปทําให้ใจนิ่ง การแบบไม่ได้ทำมันจนิ่งๆการปฏิบัติคือเอากิเลสที่อยู่ในใจที่เกิดขึ้นในใจในทุกขณะปัจจุบันเอาออกไปเร็วที่สุดนั่นแหละคือการปฏิบตัติของเราเนี่ยมันหนับไปของเจนหนักไปทานการหุดหงิดหุดหงิดลาคาลแล้วไปกดให้มันนิ่งหุดหงิดําคาลแล้วกดมันนิ่งคือความข้อใจของเราคือการปฏิบัติคือใจให้มันนิ่ง ไ, ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกคือการปฏิบัติคือต้องสังเกตเห็นในกิเลสในใจตนเ อ, อ หนักไปได้เพลิดเพลินเจริญใจไหมลนะ่ะสังตาหูจมูกลิน้นกายใ จ, ใจม ε, เมื่อเพลิเพลินคิดวงแต่งไปหรือเปล่าละ่ะอันนี้เป็นการประชันท้าสองผู้เจ็เจ็บอาฆาตปยาบาดคนนั้นคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งนี้ไม่พอใจไปหมดแหละไม่พอใจอะไรทุกอย่างแรถแต่ไม่พอใจการปฏิบัติของตัวเองไม่พอใจดินฟ้าอากาศไม่พอใจสารพัดไม่พอใจเอไม่พอใจไปทุกอย่างหนักไปได้ไม่พอใจเป็นเจ้าโทสะ ข้ามหงุดหงิดเป็นคนขี้หงุดหงิดเป็นคนขี้หงุดหงิดลำคาญุงสารางข้อสีวิจิกิจฉาอวิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยตัดอะไรก็ตัดสินใจไม่แน่นอนลังเลสงสยัยเลือจะอย่างนี้เลือจะอย่างงั้นเลือกจะเอางั้นเลือกจะเอาอย่างนี้เลือกอย่างนี้เลือกจะอย่างาางั้นมันกลตกกังวลไปทั่วเลยอันเนี้คือต้องแก้ไขให้เร็วที่สุดพร้อมเกิดขึ้นในใจแล้วกำจับออกไปเก็ Get out. Let ตอิดเอาเล็ดอิดโกเตะมันกันเลยในวันทันทีเลย นี่คือการปฏปิบัติไม่ใช่ปฏิบัติไปทำใจนิ่งๆนะเนี่ยข้อห้าคือจิตมันดาวลงมันดาวลงแนลักษณะที่มันพดหูหอเดียวท้อแท้เบื่อเซ็งกุ้มหดถอยท้อถอยง่วงเหงาเหงานอนเบื่อเบื่อเซ็งๆอ้เนี่ยต้องเตะมันนี่ก็เด็นเลยทำยังไงก็ได้ความเต๋มกระเด็นออกไปเก็ตอีดเด้าเล็ดอีดโก้เก็ติดเด้ามึงอยู่กูไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้เตะโอกไปก็เดินไปเลยเนี่ยนี่คือการปฏิบัตินะ ปัจจุบัไม่ใช่ไปทาใจนิ่งๆเราไม่ทันมันหรอกไม่ทันกิเลสแบบเนี้นะให้รู้ตัวทันกิเลสรู้ทันกิเลสแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทํำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทํำลายใจอยู่กับสิ่งนั้นอย่างของเมื่อกี้เนี่ยเขากลับมาพิจารณากายพอกิเลสเข้ามาสู่ใจก็รู้ตัวทันแล้วก็กลับมาพินารณากายพอกิเลสเข้าสู่ใจเต็ไปในนอไปแล้วกลับมาพิจาศกายให้กอเนื่องเห็นว่า สังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารร่างกายไม่เที่ยงอย่างนี้เอาสังขารร่างกายไม่เที่ยงเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของจิตในการพิจารณากระจ่างไหมของผมเอาอะไรมาเป็นเครื่องอยู่ดีครับเอาจิตมาสะอาดได้เป็นเครื่องอยู่เอาจิตสอาดจะกินเล่เครื่องเศ้ามองก่อนอันดับแรกพอจิตมันไปอย่างที่ราบอกเมื่อกี้กินเล่เครื่องเศ้ามองมันกีนนิวรหนามันเกิดขึ้นในใจเราขนาดบจิวันใดๆก็เอาออกมานกำจัดมันออกไปให้ ไอ้มันปราศจากกิเลสเครื่องสมองเป็นเครื่องอยู่เคอาศัยก่อนทุกขณะปัจจุบันก่อนไปเกตดูนะคทุกขณะปัจจุบันเอาจิตที่มันปราศจากกิเลสเครื่องสมองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่อาศัยใจที่สะอาดเนี่ยเขาเรียกก่าปวดใจบวดใจไม่ได้ปวดกายมือต้ตาก็คือบวดใจนั่นแหละคือใจที่จะอาดปราศจากกิเลสเครื่องสมองเนี่ยคืออธิษฐานบวดใจนะและให้ที่อยู่อาศัยเราเนี่ยอธิษฐานเอาที่อยู่อาศัยเอาร่างกายเอาจิตใจเป็นวัด เอาอธิษฐานเอาที่อยู่อาศัยเอาบ้านที่อยู่อาศัยเอาร่างกายเป็นเครื่องที่อยู่อาศัยร่างกายเป็นเพียงเครื่องอาศัยบ้านเป็นเพียงเครื่องอาศัยเอาร่างกายที่เป็นเครื่องอาศัยจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นเครื่องอาศัยเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปอธิษฐานเอาบ้านเอาร่างกายเอาจิตใจที่เป็นเครื่องอาศัยของธาตุรู้เนี่ยหรือนิพพานธาตุคือธรรมธาตุให้อธิษฐานเอาเป็นวัดละให้ฐานเอาบ้านเป็นวัดเอาบ้านที่เป็นเครื่องอาศัยเป็นวัด เอาร่างกายที่เป er. ็นเครื่องอาศัยเป็นวัดเอาจิตใจที่เป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยเป็นเครื่องอาศัยให้ได้รู้สึกนึกคิดอารมณ์อยู่เป็นวัดแล้วก็เอาจิตดั้งเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้ซึ่งเป็นนิพพานธาตุไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่มีอะไรเลยเหลือแต่รู้ซึ่งไม่มีกิเลสเข้าครอบงำไม่มีกิเลสมามาปิดบังไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแท้แท้ดั้งเดิมแท้ อันนี้เนี่ยบวชใจซนะบวชใจไว้กับจิตเดิมแท้นี่ยเนี่แล้วก็อาศัยอยู่ในบ้านทีใ่ในฐานะเราเป็นวัดในฐานอยู่ในร่างกายซึ่ในฐานะเราเป็นวัดใ น, ในฐานหนึ่งจิตใจซึ่งเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เป็นวัดอยู่ในวัดนั้นอยู่ในวัดก็คือสุด ท, ท้ายก็อยู่ในใจของตอนเองเนั่นแหละก็อยู่ไม่ได้อยู่กับอะไรแล้วอยู่ในใจที่เป็นมีกิเลสใจที่สิ้นกิเลสถ้ามเมื่อไหร่ขณะใดมันมีกิเลสเข้ามาสู่ใจที่เราพูดแล้วนั่นแหะการมาฉันทะโทสะพยาบาท จุดจกกูดจกักหูดกิตฟุ้งซาน ล, ลำคาญใจวิจิกิจยาหลังเลส่งใสสับสนใจไม่แน่นอนวิตกกงังวลสีหน้าพิทะเต้ามองจิตใจเต้ามองไม่ฟองแพว่พวกนี้ ย, ยัดมันเข้ามาครอบความใจิตใจได้เราคอยกำจัดออกไปแล้วให้อยู่กับใจของตัวเองนี่ยที่สะอาดไดสุดนะนั่นแหะบวชพระบวชพระกับบวชใจของเองนี่แหละใจ อาดบรสุทธน่บวพระนะอีการบวพรนะบทใจสาธุสาธุใครที่เราเรารู้ใจว่าในความรู้สึกของเรานะฆราวาที่บรรลุนิพพานเนี่ยฆราวาสที่มีครอบครัวเนี่ยก็บรรลุนิพพานได้เอ่อสิข้อสามถ้าสินข้อสาอ่าไม่ผิดสินห้าไม่ผิดสินห้าสิห้าข้อนหนึ่งก็ไม่ขาดสตรแตดชีวิตไม่เบียดเบียนชีอื่นสัตว์อื่นข้อสองไม่ไม่เอาทรัพย์ของคนอื่นโดไม่ชอบ ข้อสามก็ไม่เป็นผผิดในกามคือไม่ผิดไม่ผิดสามมีภรรยาลูกเมียของคนอื่นข้อสี่ก็ไม่พูดเท็จโกหกหลอกลวงพูดติดชินดินถาว่าร้ายพูดกระเทอกระแทกแดกดันไม่พูดเฟอ์เจอร์ไม่พวดเสียสีไม่พูดเฟอร์เจอร์เนี่ยมารวมต้องเอส้นข้อสี่นี้รวมต้งทั้งทำด้วยข้อห้าไม่ดื่มสุรายาเสพติดไม่เล่นการพนัน แต่ถ้าจะมารู้วิพานเนี่ยข้อสินข้อสามต้องถือพระมรรจันทร์นะแม้แต่มีครอบครัวถ้าถ้าสิ้นข้อสามถือพระมรรจันทร์ไม่ทำแม่น้ำสุชีเคลื่อ น, ออนก็บารู้นิพานได้แล้วเวลาจะบรณณิพานแล้วคารว่าจะมาวัณณิพานได้ก็อธิษฐานซะอธิษฐานบวชใจซะจิตดังเดิมแท้ๆเนี่ยเนี่ยบวชจิตดั้งเดิมแท้ๆหรือใจดั้งเดิมแท้ๆซึ่งเป็นนัณิพานธาตุเป็นธาตุรู้ให้เอาขอให้ได้อาศัย เอาขันห้าเนี่ยเอาร่างกายจิตใจคือเวทนุ่มเวทนาสัญญาทั้งขาวิญยาณเนี่ยขอไอ้ฐานเอาขอให้เป็นวัดเอาเป็นเครื่องอาศัยจนกว่าจะถึงสิ้นอายุขัยอธิษฐานรับบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นวัดเป็นเครื่องอยู่อาศัยก่อนคือเป็นเครื่องอยู่อาศัยของธาตุรู้หรือนิพานธาตุหรือธาตุตั้งเดินประแต้ซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมีแต่รู้อันนี้บวชบวชใจนั้นอแล้วก็เราก็ว่าอย่างนี้ก็ไม่ตายนะอยู่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวฟูมายกัน ห, หนูจะกลับลาหลวงตาขอคำแนะนำในการกลับไปปฏิบัติเพื่อจะได้กลับมาสง่งส่งงานบ้านหลวงตาใหม่ค่ะออใไไนแนาไปฟังกลับไปฟังหมอกลับไปฟังไอ้คำสอนเราทั้งหมดอ่ะที่อยู่ใน u ู u ูบที่ที่เราส่งหลายกลุ่มให้ไปไปเปิดฟังไอ น, นั่นน่ะเลือกฟังแต่ที่ถ้าเราเนี่ยฟังมันตั้งใจ ว่าตั้งใจว่าจะฟังให้ได้วัลลแท็กเราก็ตั้งใจให้ได้ฟังวาลลัแทกเราตั้งใจฟังไม่ได้บ่าฟังแบบเปิดเอาไปเพื่อนตั้งใจฟังให้ได้วัลลแทกก็คือจะต้องตั้งใจฟังทําความเข้าใจให้ถึงใจให้ได้วาลลัตแทกไม่ใช่บ่ฟังเป็นเพื่อนนะไปฟังเพื่อนไม่ได้เรื่องเราเราเห็นแล้วไม่ได้เรื่องเราวสักคนเดียให้เปิดโดยตั้งใจกําหนดว่าจะตั้งใจฟังเนี่ยคําสอนของเราที่ีขึ้นไปยืน u b e เนี่ยให้ได้วัลลแท็ก แล้วก็จะต้องตั้งใจฟังกําหนดจดจอ่อทําสมาธิในการฟังให้มันเข้าถึงใจถึงจิตถึงใจวันละแทกวันละแท็กวันละแท็กทุกวักวนไปถึงจะเข้าใจเนี่ยคาสอนทั้งหมดอ่ะอย่ในนั้นเนี่ยเอาค อ, อยรู้ทําเห็นทำนะคอยพนทุกพ้นทุกพ้นทุ ก, พ, ทกพ้นทุกในปัจจุบนันพ้นทุกในปัจจุบนันเลย จะขอถามเรื่องว่าสมมุติว่าเราเดินปฏิบัติแล้วเราเราเหมือนเรารู้ว่าจิตส่งออกอะค่ะท่านแล้วเราภาคอยู่ในใจอะว่าจิตส่งอ้ อ, อจิตปรุงแต่งอันนี้ถูกไหมฮะหรือว่าต้องปฏิบัติอย่างอยังไงคะนี่ก็ปล่อยไปปล่อยสังขารทั้งมวล่ะปล่อยวางมันไปให้หมดมันมีก็มีปฏิกิริยามีกระเพื่อมไห ว, ไวมีกิยาการใดๆหรือมีพิติอะไร คือมันปรากฏขึ้นมาในใจอ่ะมันเป็นสังขารทั้งหมดสังขารคือ ส, ส, สิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่กระเพื่อมสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่จากไม่มีแล้วมีขึ้นมาแล้วก็ดับไปหายไปจากไม่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วปรากฏขึ้นมาแล้วก็ดับไปหายไปเป็นสังขารทั้งหมดสังขารคือจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาจากที่ไม่กระเพื่อมแล้วกระเพื่อมขึ้นมาจากไม่ไหวตัวแล้วไหวไหวตัวขึ้นมาจะไม่เรียกชื่อมันหรือว่าชื่อว่าอะไรเพราะ พอปฏิบัติไปจนถึงขั้นละเอียดที่สุดจะจะพุนทุกเนี่ยมันเลยไปอีกมันไม่เรียกไมันมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันมันเลยไปอีกเพราะว่าไอ้ความรู้สึกอารมณ์ความนึกความคิดความตึกความตองอันเนี้มันเป็นสังขารแน่นอนอยู่แล้วเราเรารู้จะจัดอยู่แล้วเพราะว่ามันมันเป็นไปสิ่งปรุงแต่งแต่เวลาพรอมจะพ้นจริงๆเนี่ยมันอาการมันอยู่ข้างในใจเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรมัน มันจะเรียกว่าคิดก็ไม่ได้คิดมันจะเรียกว่ารู้สึกก็บอกไว้เลยมันมืนรู้สึกมันเหมือนเนีทําท่าทาท่าจะทําท่าอะไรอยู่นั่นแหละมันทําท่ามันก็เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมมันหรือมันทําท่าจะทําท่าอะไรสักอย่างบอกไม่ถูกมันจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กจุกจิ๊กมันจะทําท่าไปดูจิตทําท่าไปคิดทําท่าอะไรมันก็เห็นแล้วว่ามันเป็นสังขารแล้วก็ปล่อยวางไปเห็นว่าเป็นสังขารแล้วปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรไว้เลยในจิตไม่เอาอะไรสักอย่างเดียวพอมันจุ๊กจิ๊กุกจิ ตัวหลังๆนี่มันไม่มีคําพูดเลยมันมันไม่มีสมมติมันหยาบมันไม่มีภาษาที่เข้าไปถึงมันได้มันจะเรียกว่าคิดมันก็มันก็ไม่ถูกเพราะว่ามันละเอียดกว่าคิดกันไปอีกจะเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่มันก็ละเอียดกว่าไปอีกมันคิดทุกคิดจะบอกไม่ถูกมันคืออะไรมันเหมือนยุ้มหยิมยุมหยิมยุ้มยิมยุ้มหยิมในใจแน่แต่มันก็ไม่ได้เป็นคิดเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมันยุ้มหยิมเหมือนคำทำท่าทํำท่าจะไปดูจิตทําท่าจะคิดคนทําท่าจะวิเคราะห์ ทำท่าจะหาเหตุหาผลทำท่าจะเก็บความเข้าใจมันเพียงแค่ตั้งท่ามันเหมือนจิตมันตั้งขึ้นมาเพราะจิตมันทำท่าจะตั้งขึ้นมาตั้งท่าจะค้นตั้งท่าจะวิเคราะห์ตั้งท่าจะวิจัยตั้งตั้งท่าจะดูจิตมันก็เห็นแล้วว่าเป็นสังขารแล้วมันปล่อยวางไปเลยไปยวางไปแล้วในนั้นน่ะเลยไปนั้นแล้วมันพูดไม่ออกแล้วมันไม่รู้ว่าคืออะไร มันภาษามันเกินกว่าที่จะพูดแหละมันเลยคิดเลยนึกเลยตึกเลยตองไปอีกมันไม่เอาหมดเลยสังขาดทั้งมวลจนกระทั่งฉันใช้คําว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาที่มันเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาคือมันเกิดขึ้นมาเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาทําเป็นธรรมดาคือมันเกิดขึ้นมาเองสิ่งเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันก็ดับไปของมันเอง เกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปของมันเองเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปมัเองในใจเรานี่แหละแต่มันไม่เรียกเลยว่ามันคือความรู้สึกอารมณ์หรือความนึกความคิดความสึกความตองหรือหรือความเสี่ยงจ้องวิตกวิจารอะไรมันพูดไม่ออกมันเลยไปอีกมันละเอียดละเอียดมากเกินไปจนมันไม่มีคําพูดจะไม่มีใครไปจับไปยึดมันอ่ะไม่มีใครไปไปจับไปยึดไปก่อเกี่ยวมันมันมีแต่มีความรู้สึกว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยมันไม่มีชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเจมดามมันไม่มีไม่มีตัวตนของใครมาเกาะเกี่ยวมันไม่ไม่มีใครมารองรับไม่มีใครมายึดมันมันมีแต่เหมือนเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาในอากาศที่ว่างเปล่าเนี่ลอยมาเหมือนเราโยนกระดาษทิชชู่เนี่ยมันลอยขึ้นมาในอากาศที่ว่างเปล่าแล้วมันแล้วมันก็ดับหายไปเหมือนกระดาษทิชชู่ที่เราโยนขึ้นไปเนี่ยมันลอยขึ้นมาในอากาศที่ว่างเปล่าแล้วก็ดับหายไปลอยขึ้นมาในอากาศที่ว่างเปล่าดับายไป มันเหมือนเกิดขึ้นแล้วก็ตกดับหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ตกดับหายไปมันมีแต่แค่เนี้ตลอดไปเลยจนกว่าจะจะตายเพอะจะตายแล้วไ อ, ไอ้กระดาษทิชชูเหมือนไอ้ไอทุ ก, กิริยาการเนี่ยเหมือนไ อ, ไอ้กระดาษทิชชู่เทเลย์ยนขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีลอยขึ้นไม่ลอยไม่มีลอยขึ้นในไม่มีไม่มีลอยขึ้นไม่มีปรากฏขึ้นไม่มีกับเพื่อมขึ้นมาในใ น, ในอากาศอีกต่อไปแล้วก็หายไปทุกอย่างก็าหายไปเลยเพราะว่ามันไอ้สิ่งที่มันเกิดดับมันหายไป มันก็เหลือแต่เราไม่มีอะไรเกิดดับก็เลยหายไปเลยทั้งหมดหายไปพวกโยมพุทธโยมพบาลก็หาไม่เจอหาจิตวิญญาณไม่เจออีกต่อไปไอ้ตรงนี้มันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วมันมันเหมือนกับมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับโยงเราโยงกระดาษที่ชู่ขึ้นก่อนกระดาษที่จู้ขึ้นไปในอากาศอะและ้วก็หายไปแล้วก็ตกไปหายไปตกไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไป บางทีใช้คำใช้ภาษาว่ามันมีแต่สิ่งได้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้ดับไปเองเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองไม่มีใครทําเกิดและไม่มีใครทาดับไม่มีใครทําเกิดไม่มีใครทําดับมันแต่มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเองแล้ดับไปเองเกิดไปเองแลดับไปเองไม่มีใครไปรองรับไม่มีใครไปยึดมันไม่มีใครไปวุ่นวายกับมันไอ้กิริยาการเนี้ยจนก็ไม่เรียกว่ามันมันมันเรียกว่ายังไงเรียกว่าโทสะราคะโทสะโมหะเรียกมันเศร้าหมองเรียกวันผ่องใสเรียกว่า คือมันมีชื่อเรียกเลยมันเร็วมันเร็วกว่าลมนั่นนี่มันเร็วมากจนกระทั่งมันเลยก่บความคิดไม่เรียกว่าเป็นความคิดเลยมันเหมือนทําท่าจะคิดทําท่าจะดูจิตทําท่าจะวิเคราะห์ทําท่าจะหาเหตุและผมันเหมือนกับทําท่าทำท่าเหมือนกับขึ้นมานิดเดียวนั่นเนี่ยมันก็รู้แล้วเป็นสังขารมันไม่เรียกว่าอะไรเลยแล้วมันปล่อยวางหมดมันไม่เอาเลยทักอย่างนึ่เนี่ะที่อัญญโกณทัญญาเห็นตามที่พระเจ้าสอนเน่ะในธรรมจักรกับวัตถุ์สูตรพระเจ้าสอนธรรมจักรกับวัตสูตรจบปุ๊บอัญญโกณทัญญาเห็นตามเลย พระัญโโกลัญญาเห็โอ้ยังกินจิสมุทรยะธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรมันติโอ้คงมีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาพระุทธเจ้าคือพระอัญโยโกลธัญญาลาพึงขุมันในใจพระเจ้าอัญโยโกอัญายโกทัญโญอัญายโกทัญโญอัญญยโกอัญโยอะไรนะ อันเจโกนทัญญาเห็นแล้วหนอเห็นแล้วหนอเนี่ยพระเจ้าล้ำพึงล้ำพูพระเจ้าเห็นปุ๊บอันเจโกนทัญญารู้แล้วหนอเห็นแล้วหนอรู้แล้วหนอเห็นแล้วหนอเนี่ยเห็นแต่เงี้ยจริงพระเจ้าเลยเทศต่อเลยเทศต่อเรื่องอนัตตลกนาสูตรเออแล้วก็หลัจากนั้นก็เทศต่อเรื่องอนัตตลกนาสูตรให้ปัญจวัคคีทั้งห้าฟังว่าไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วสิ่งทั้งมวลนั้ดับไปเป็นธรรมดานี่ะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเรา ไม่มีอะไเลยเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายเนี่ยสังขารทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจหรือรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายหน้าป่วดปวดังสลายหายไปหมดสิน้น สัพเพธัมมาอนัตตาเท็นว่าอันแรกเนี่ยสองสองสองวลีแรกคือสัพเพสังขาลาอานิจจาอานิจจาใช้คําว่าสังขารสัพเพสังขลาอานิจจาอวลีที่สองสัพเพสังขลาทุกขาพราะทุกขาคือทนอยู่ไม่ได้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องผูกพังสลายไปหน้าเฟื่องผูพัพงสลายไปก็ใช้สัพเพสังขลาทุกขาแต่พอวลีที่สามสัพเพธัมมาอนัตตาใช้ธัมมา สัพเพธรรมานตาคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือรวมทั้งสังขารด้วยและไม่ใช่สังขารคือนิพพานหรือวิสังขารนิพพานชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดบ้านว่าทั้งสังขารและวิสังขารคือเราคือตัวตนของเราคืออย่าไปหลงยึดบ้านเอาสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นในความไม่มีอะไรเนี่ยเนี่ย คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นเหมือนเราโยนกระดาษที่ชชู่ขึ้นไปในอากาศเนี่ยสิ่งที่ปรากฏขึ้นในความไม่มีอะไรเหมือนกับความไม่มีอะไรเหมือนกับอากาศอย่างเงี้ยแล้วเราโยนกระดาษที่ชูขึ้นไปในอากาศอย่าไปหลงยึดบ้านถือบ้านว่าเ น, น, นี่ยไอสิ่งที่เราโยนขึ้นเนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตั ว, วนตวนของเรามันเป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วดับไปเป็นธรรมดาแต่แม้การนั้นเนะี่ยเราไปสอนเมื่อวันก่อนเนี่ยเราไปเจอคนคนหนึ่งไปเจอท่านท่านหนึ่ง ว่ายึดไอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรมธรมดาระดับเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเลยแต่ไปยึดเอาตรงเนี้ยยึดเอาอากาศที่ว่างเปล่าเนี่ยเป็นตัวเราไว้ว่าตัวเราคืออากาศที่ว่างเปล่าอืมเราสังเกตเห็นทําไมมันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยคุณยึดอะไรอยู่นะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ยึดอะไรเลยอาจารย์ไม่ยึดอะไรแล้วทำใหมาจิตมันดํา มีความดำคล้ำเครียดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณยิดอะไรผมไม่ยิดอะไรเลยเดี๋ยวทําไมจิตมันไม่เคลื่อนไหวเะจิตคุณไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยมันตั้งดำคล้ำแล้วไม่เคลื่อนไหวเลยอะยิดอะไรไปเนี่ยผมไม่ยิดอะไรสักอย่างกริยาการของจิตก็ไม่ยึดเลยไม่ยึดสักอย่างเดียวสังขารทั้งมวลปล่อยหมดไม่ยึดอะไรมันทาไมดำอย่างเงี้ยดำคล้ำอย่างเงี้ยภายในจิตมันดำคล้ำอย่างเงี้ยแล้วไม่เคลื่อนไหวด้วย เดี๋เออ ย, ยึดความว่างยึดความไม่มีเป็นตัวเราเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไปกลับไปสู่ความไม่มีไปถึงความไม่มียึดความไม่มีเป็นตัวเราไว้เอ้าคุณยึดไม่ยึดความมีแต่ไปยึดค ว, มมความไม่มีมันก็เท่ากับไอ้ความไม่มีเนี่ยมันยึดได้สิถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วคุณก็เอาตัวคุณที่เป็นสังขารเนี่ยปรุงแต่งไปยึดมันไว้ได้โอ้ยนี่ผิดตรงคืนน้องล่องเลยเ ความไม่มีน้ำจะยึดอะไรได้ความไม่มีมันไม่มีอะไรจะยึดได้แต่คุณปรุงเอาสังขารเอว่าเป็นตัวตนของคุณเนี่ยเอาไปยึดความไม่มีไว้ว่าตัวคุณคือความไม่มีโอ้โหใช่เลยอาจารย์ผมไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยใช่เลยผมยึดความไม่มีเป็นตัวตนตัวของผมเพื่อผมเนี่ยกลับคืนไปสู่ความไม่มีนี่ก็ผิดพลาดได้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหท่าละเอียดไม่พอเนี่ยไม่เห็นเลยตรงเนี้ย สนิทเลยหลอกสนิทเลยโดยลูกติดหลอกสนิทเลยเนี่ยลูกติดเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกหรอกคือเขาเขาผิดพลาดแบบสุดๆเลยเขาก็เข้าใจว่าคนทุกคนทุกพวกคูบาอาจารย์ไม่ไม่ทันและแย่เลยแบบแบบว่าโดยลูกติดหลงเลยพากันหลงต้องเละต้องะละเอียดจริงๆะละเอียดละเอียดรับความาเข้าใจไหมเออ กับน้ำมาสการหล่มตาเจ้าค่ะคือโยมอยากกับเรียนถามว่ามาใหม่มาใหม่ชื่ออะไรชื่อปัตตาจนันทเขถเจ้าค่ะชื่อชิเลนชิปตองค่ะ ก, อก็อยู่กับกอยกับเ็อร์ออเรียนม <า S 2> ่ได้โดนเราด้วยกันค่ ะ, ะค่ะก็สนิทกันนะคะ่ะ คือคือโยมไปเรียนหลักสูตรครูสมาธิอะคะ่ะกับของหลวงพ่อหรือยังทีนี้ท่านก็จะสอนเน้นทางด้านของสมถะนะคะและทีนี้พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็เออ ม, มันออกไปทางแนวของเรื่องของการดูอสุภะอะคะ่ะทีนี้พอได้มามาคุยกับอาจารย์น็อตเนี่ยอาจารย์น็อตต้องมาทางด้านดูจิตอะเราก็เลย เออ เ, อ, อเหมือนกับเราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าคืออยากจะศึกษาด้านดูจิตเหมือนกันแต่อาจารย์น็อตบอกว่าถ้าพี่ต้องมาทางด้านนี้แล้วก็ควรจะไปทางด้านนี้ก็เลยไม่ไ ม, ไม่อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเราควรที่จะศึกษาพวกผู้กันไปหรือว่า เ, เราจิตของเราไปทางไหนก็ให้ไปทางนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะ กลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะไอพิจรณาร่างกายเห็นมันของไม่เที่ยงถูกต้องแล้วตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรนะตอนนี้ก็ทําทำํำธุรกิจของตัวเองค่ะไอพิจารณาสังขารไม่เที่ยงถูกต้องแล้วไอเดินแต่ในทางนั้นสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงหน้าเปิดผูพังเกิดแก่เจ็บตาย พิณาพยายามหมุนไปไหนก็ได้ขอให้ปล่อยวางสังขารร่างกายจิตใจปล่อยสังขารกายก่อนเห็นสังขารกายปล่อยวางสังขารกายไปก่อนแล้วสังขารจิตก็จะง่ายแล้วพิจารณสังขารก็จะง่ายแล้วปล่อยวางได้ง่ายพิณาสังขารร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงซ้ำซๆำซอย่างนี้แอย่าอย่าไปยุ่งประจิตอพิณาจะเริ่มร่างกายให้เคลื่นก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยง ลอกออกก็ได้ลอกหนังออกให้เห็นเนื้อแดงแดงเลือดเนือแดงแดงข้างในลอกเลือดเนื้ออ อ, อ, ออกเห็นวา ย, ยวะโกระดูกเอาวา ย, ยวะทิ้งไปหมดเล่าไปหมดเหลือแต่โครงกระดูกก็ให้อ ใ, ให้ถอดโกระดูกออกให้เป็นทุกชิ้นตัวน่ะไอ้ไม่เหลือเป็นชิ้นเป็นอันเล ย, ยตัวตั้งหาตัวตนไม่เจอแล้วก็ ท, ทําไหม้ําไหม่ทำดีอย่างางั้นแหละป็นอันในร่างกายแง่มุมไหนก็ได้ขอมัน ในเรื่องของไม่ไม่ไมไมยึดบ้านถือบ้านในร่างกายเห็นสังขารไม่เที่ยงแต่เช่นนั้นเนี่ยถ้าไม่ค่อยชัดๆก็เอาภาพในอินเทอร์เนต็ตมาช่วยดูหรือภาพเขาผ่าตัดอ่ะหมอก็ผ่าตัดในในพวกเขาผ่าตัดสักผ่าตัดศพอ่ะเอาภาพในอินเทอร์เนต็ตมีเยอะผ่าตัดศพเราก็มาดูเพื่อนบ่อยๆ เ, ยเยท่านะทีนี้ที่นิยมทําไปเรื่อยๆมันรู้สึกเหมือนกับแบบไม่ค่อยรู้สึกกับความรู้สึกอะไรรอบข้างทีนี้ได้คุยอาจารย์น็อตอาจารย์น็อตบอกว่า มาทะแรงไปแล้วมันเหมือนมันหลบในเราก็พยายามน้อมมันขึ้นมาให้เป็นมโนภาพเป็นมโน น, โนึกเป็นความรู้สึกใค่ชัดๆเอานึกน้อมด้วยเอาภาพในอินเทอร์เน็ตเปิดดูด้วยก็ได้ตอนที่ก็ผ่าศพอ่ะมันมีหลายๆหลายตอนหลายเรื่องที่ก็ผ่าศพอยู่เอามาดูเพจะชัดแล้วเราก็นึกน้อมไปด้วยว่าตัวเราต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าขี้เกียจอย่าขี้เกียจนปกน้อมไม่อย่ากขยั่งแรกๆก็เป็นอ่ะทีนี้เราไปขยั่งปุ๊บมันก็เลยเข้าไปถึงความจริง ความจริงเราม่อยู่สัยวาสนาเก่าในเรื่องการพินากายอยู่อ ย, อย่าอย่าหลุดเรื่องนี้ไปพอเราไปขยักขยั่งมันเราเลยเลยข้ามมันไปซะค <Sounds good. S 1> วามจริงมันเป็ น, เ ป, นเป็นไอ้พรสวรรค์เก่าเราวัสนบุรีเก่าเรื่องการพินากายเราแต่เราข้ามพรสวรรค์เราไปเราทิ้งพรสวรรค์ลงไปเราไปไปจับจัองอื่นเรามีพรสวรรค์เรื่องนี้อยู่เรื่องการพินากายอยู่ป่าศพ ของตัวเราให้ตัวเราตายและผ่าศพตัวเรามากๆผ่าแบะออกให้มันชิดมากๆดูควบคู่ไปกับในหนังวิดีโอก็ได้การผ่าศพ mm hmm. พวกเตือนมิที่เกิดเหตุเตือนมิเขาเก็บศพไปทานเน่าเยอะมากมายอย่าไปลังเกียจถ้าเรารังเกียจสิ่งเหล่านี้มันข้ามไม่ได้ข้ามพ้นไม่ได้นะขอพระคุณพระอาจารย์พิจารณาบ้างๆเราจะถึงความจริงเองอย่าไปพีินานจะเฉพาะตอนนั่งสมาธินะ พินามันซ้ำๆๆๆอยู่อย่างงั้นแหละไม่ว่ากายจะทําอะไรใจก็แอบพินามันเรื่องความน่าเบื่อผูกพันความไม่เที่ยงของสังขารเนี่ยซ้ําๆทุกมียาบทไม่ว่ากายจะทําอะไรไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำห้องส้วมดื่มกินเดินทางไปไหนมาไหนทํากิจการงานใดก็ใจแอบพิจารณาซ้ําๆๆๆเป็นเรื่องสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอยู่นั่นแหละนะอาจารย์ช่วงหนึ่งมันจะเป็นเหมือนกับแบบเราทําอะไรก็เหมือนกับเห็นตัวเราเป็นกระดูกทําไปด้วย อยู่ในตัวเรานแหละนเป็นวัฒนาเก่านะเราบอกแล้วมเป็นวัสนาเก่ามันมันถูกแล้วใช่ไหมคะที่เห็นแล้วเราก็ถอดกระดูกออกย้ให้เหลือเป็นโครงกระดูกที่เดินได้ถอดกระดูกแล้วก็เพ่งกระดูกนั่นแหละเพ่งกระดูกตัวเราเนี่ยนัแหละเห็นกระดูกตัวเราอย่างที่ว่าเราเคยเห็นมาแล้วตัวเราทํางานแต่กลายเป็นมีแต่โครงกระดูกทํางานของตัวเราเนี่ยมีแต่โครงกระดูกทํางานเดินได้ทํางานได้แล้วเราก็ถอดโครงกระดูกของเราเนี่ยออกให้หมดอยให้เหลือเป็นเป็นโครงกระดูกให้ ทำยังไงก็ได้ไม่เหนเ็นเป็นเป็นเป็นโครกระดูกอีกต่อไปถ อ, อดออกทีดที่ส่วนเลยถอดออกถอดออกละเอียดพุทธเจ้าถอดออกก็โครกระดูกทั้งหมดถอดออกมีได้สามร้อยท่อนหลวงปู่สิมเอี่ยไปฟังในในแท็กของหลวงปู่สิมก็ได้คําเรื่องกระดูกสามร้ยท่อนของหลวงปู่สิมพุทธาจารย์โล่ขอบคุณอาจารย์ค่ะ คนเราอย่าทิ้งพรสวรรค์เก่าแล้วทิ้งพรสวรรค์เก่าแล้วไปจับของใหม่มันมเป็นเรื่องเลยตอนนี้ยคนมีวัสนธรรบารมีสังสมมาไม่ไม่เหมือนกันมาคนละอย่างคนละด้านเรามีพรสวรรค์อย่างนี้ไปทิ้งเอาไปพรสวรรค์อย่างอื่นไปฟังคนอื่นไปทําอย่างอื่นไปตามตามเขาแล้วทิ้งพรสวรรค์เราไปเสียหายย่อยยับเหมือนเราเคยเล่นดนตรีอยู่นี่อยู่เก่งๆดีๆเราบอกเราไม่อยากจะเล่นดนตรีแล้วเราไปเล่นกีฬาซึ่งเราไม่มีความสามารถ เราเล่นเล่นกีฬาเท่าไหร่ก็ไม่รุ่งเพราะว่าเราเก่งในด้านดนตรีคนอยู่ใกล้ไมเนี่ยถามก็ช่วงช่วงนี้ถ้าว่าไปแล้วก็ค่อนข้างจะมีพอจะรู้ตัวเองว่ามีอารมณ์เครียดเกี่ยวกับเรื่องทำงานเป็นส่วนใหญ่ก็มีเรื่องครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้การปฏิบัติเนี่ย ก็เป็นไปมากถูงพอควนนะคะหลวงตาแล้วกพ็พอรู้ตัวก็พายายามจะตึงตองให้กลับมาภาวนาแต่ว่ า, ามันก็ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเราละล ะ, ละทิ้งแบบความเพียรไปนานอะไรอย่างนะะ mm hmm. ี้ยค่ะก็อาจจะให้อยากจะขอหลวงตาชี้แนะเหมือนกันว่า mm hmm. คือหนูก็พายายามที่จะนึกถึงหลักคําสอนที่หลวงตาเคย เคยสอนนะ่แต่ว่าตอนนี้การดึงจิตก็ไม่เชิงดึงจิตนะคะหรือว่าความเพียรที่จะภาวนามหมุนต่ก่อเ น, นี่ยมันก็จะทำให้กลับมาเหมือ น, เ, อนเดิมมันจะยากอะคะ่ะปล่อยวางไว้หมดอะไรที่อยู่ในใจอะอดีตอดีอดก็ปล่อยมันเป็นอดีต ไ, ไปซะมาเจอมืดหงิด ผ่านมาอีตมีความทุกข์ยากลําบากยังไงให้เหลือแต่ตอนนี้ยปัจจุบันมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันนั่งอยู่ตรงนี้ตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตทั้งหมดอดีตทุกอย่างทุกณาปัจจุบันที่เป็นอดีตผ่านไปผ่านไปเหมือนความฝันอย่าไปเพ้อฝันกับอนาคตอย่าไปกังวลกับอนาคตปัจจุบันคือความจริงปัจจุบันคือความจริงอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริง ความจริงอะไรแล้วก็คือทุกกริยาการที่เกิดขึ้นในใจเราในปัจจุบันนี้แน่ที่มันมีสภาวะอย่างไรมีทุกขริยาการอย่างไรมีสภาวะใดในใจของเราสังเกตเห็นมันอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่สังเกตไม่ได้แค่ทำอะไรเพื่อให้เป็นอะไรให้แค่ได้รู้ได้เห็นให้จับตัวได้รู้ได้เห็นแล้วก็ปล่อยผ่านไปจตัะรู้ได้เห็นผ่านไปจตัวรู้ได้เห็นแล้วผ่านไปผ่านไป ปล่อยผ่านไปทั้งหมดสิ้นไม่เอาอะไรไว้เลยไม่ยึดถืออะไรไว้เลยไม่เข้าไปเอาอะไรมาให้ค่าให้มีค่ามีความสำคัญมีอิทธิพลต่อใจเลยเพียงแค่ได้รู้ได้เห็นในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะเรื่อยไปอดีตปล่อยวางไปให้หมดสิ้นไม่ว่ามันจะบุญกินมาแล้วหรือมันจะสบายมาแล้วหรือมันจะสงบไปแล้วหรือมันจะลาคาญมาแล้วหรือมันจะฟุ้งซ่านมาแล้วหรือมันจะเป็นอย่างไงมาแล้วก็ปล่อยวางไปให้มดหมดหมดหมดปล่อยหมดปัจจุบันรู้อะไรเห็นอะไรก็ปล่อยวางให้หมดรู้อะไรเห็นอะไรก็ปล่อยวางให้หมด จะปล um, ่อยให้นกังวลกับอนาคตเพื่อผ่านไปอนาคตให้รู้ปัจจุบันละปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันละไปเรื่อยๆในปัจจุบันมันมีสภาวะอย่างไงมีอาการอย่างไงมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็รู้รู้เห็นมันตลอดเวลานะแล้วก็ปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกปล่อยไปอีกปล่อยให้หมดเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยปล่อยไปเดี๋ยวนี้เลยมันไม่เหมือนเดิมหรอกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆรู้แล้วเห็นแล้วก็ให้แค่ได้เป็นเครื่องระลึกรู้ เป็นเครื่องอาศัยให้ได้ละลึกรู้และผ่านไปผ่านไปทุกสภาวะทุกกีริยาการของจิตทุกคิดทุกอารมณ์ทุกอาการให้เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยได้ละลึกรู้และปล่อยผ่านไปผ่านไปผ่านไปให้เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยนะเครื่องอาศัยได้ละลึกรู้ทุกกีริยาการทุกสภาวะที่ปรากฏอยู่ภายในเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยให้ได้ละลึกรู้ของจิต ของจิตตั้งเดิมแท้ๆซึ่งเป็นธาตุรู้ไม่ใช่เป็นตัวธาตุรู้ก็ไม่ใช่เป็นตัวเราสภาวะทางร่างกายั้งจิตใจมันเป็นยังไงก็เป็นแค่เครื่องอาศัยให้ได้เรียรู้ได้แล้วรัยรู้แล้วปล่อยผ่านไปจากใจก่อนผายไปผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไ ป, นไปรู้มันตามความเป็นจริงในปัจจุบันตอนนี้มันมีอาการซ่านไปทั่วตัว ปูว่าก็ปล่อยผ่านอีกรู้แล้วเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านอีกรู้เราเห็นแล้วก็ปล่อยผ่านอีกเรื่อยไปเนี่ยมมีสภาวะเปลี่ยนไปอีกแล้วก็รู้อีกรู้อีกเห็นอีกปล่อยผ่านไปอีกรู้อีกเห็นอีกปล่อยผ่านอีกเรื่อยไปอย่างเงี้ยรู้เฉพาะปัจจุบันเฉพาะหน้าปฏิบัติอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนรู้เฉพาะสภาวะธรรมกิริยาการของจิตหรือพิเตแ่งจิต หรพฤติกรรมของจิตทุกขณะปัจจุบันเนี่ยรู้แล้วปล่อยผ่านเลยรู้แล้วเราปล่อยผ่านแค่เป็นเครื่องอาศัยให้แค่ได้เลืกรู้แล้วผ่านเลยผ่านเล ย, ลลยนเลยนี่ยเนี่ยกําลังเข้าไปคิดสงสยัยหาเหตุผลกล็หมดในความคิดอันนี้ที่มันเกิดขึ้นก็ปล่อยผ่านไปอีกเขาไปคิดไปสงสยัยไปหาเหตุผลกล็หมดก็ปล่อยผ่านเลยจะเห็นหรือไม่เห็นตามที่เราพูดก็มันมีความคิดเกิดขึ้นใหม่แล้วไปเองไอ้ีลุงตาพูดมันคืออะไรที่อาจารย์พูดคืออะไร ความคิดนี up, mm. Mm ้เปนเกิดขึ <Heh. S 1> ้นก็ผ่านเลยเห็นปุ๊บก็ผ่านเลยเห็นความคิดด้วยเห็นะสภาวะธรรมด้วยเห็นอาการด้วยเห็นความรู้สึกด้วยจะเห็นตามเราหรือไม่เห็นตามเราก็ปล่อยผ่านไปให้หมดสิ้นเราพูดแล้วเห็นตามเราไม่เห็นตามเราก็ปล่อยผ่านใหหมดสิ้นเดี๋ยไปอีกรู้ไปอีกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนนะเดี๋ยวไปรู้ข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันก็ต้องรับรู้ทํางานกิจการอะไรตามปกตินั่นแหละแต่การรู้ละ ข้างในต้องรู้ละตลอดเวลารูละอย่างนี้แน่มันนึมันเปลี่ยนอยไปไปตลอดเวลาที่ก็ ว, วูวว่าสุซ่าไปหมดเดี๋ยวก็แน่นแน่นเี๋คืกอ่านอ้ยความจะ ว, วูวว่าสุซ่ากายเบาใจเบาไงก็ปล่อยผ่านหมดรู้แล้วผ่านหมดผ่านหมดผ่านไปรู้แล้วก็ให้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปให้แค่เป็นเครื่องอาดัยได้ลึกรูกแ้แล้วก็เดี๋ยวก็แ น, น่นตึ๊บตึ๊บตตืก็ปล่อยผ่านอีกรู้แล้วก็ปล่อยผ่านอีกปล่อยผ่านอีก เบาอย่างไงก็ต้องปล่อยผ่านปล่อยผ่านคือได้แค่แสักแต่วรู้สักแต่วันรับรู้ไม่เข้าไปจับไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปเอามามีทธิพนต่อใจทุกคิดทุกอาการที่ปรากฏในปัจจุบนัจจบนรู้ปัจจุบันละลปัจจุบนันรูนน้ปัจจุบันละปัจจุบันเรื่อยไปนั่นแหละคือธรรมปัจจุบันธรรมดูอย่างนี้เลยไปนะเข้าใจไหมล่ะอย่าไปเอาอดีตมา พ, วพาัวพัน จะทุกข์มันจะเครียดในที่ทำงานยังไงก็จะมาพัวพันแล้วก็แล้วไปแล้วก็แล้วไปแล้วก็ไปอะไรก็ทุกอย่างนะตั้งภายนอกภายในก็ให right. so ้แล้วก็แล้วไปแล้วก so like? ็แล้วไปแล้วก็แล้วไปด้วยไปอย่ามาพัวพันให้รูปปัจจุบันลัะปัจจุบันรู้ปัจจุบันละปัจจุบันอดีตเป็นธรรมเบาอนาคตเป็นธรรมเบาปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ตัวไปเก่อเกี่ยวพัวพันสิ่งใดก็เป็นธรรมเบาปัจจุบันนะธรรมเนี่ยธรรในปัจจุบันมีแต่รูปปัจจุบันละปัจจุบันรูปปัจจุบันละปัจจุบัน รู้อล่ะรู้ตัวเราเองนี่แน่รู้ร่างกาจิตใจของเราเองนี่แน่ส่วนกิริยาการทํางานในภายน้อมก็เรื่องเป็นเรื่องทํางานตามปกติของเขาแต่ไม่ว่าจะทํางานอะไรแต่คร่งไหนใจก็ต้องรู้ปัจจุบนันรู้ทุกกิริยาการรู้สภาวะทุกปัจจุบันที่เกิดขึ้นภายในร่างกาจิตใจเราตีแก่ได้เป็นเครื่องอาศัยและลึกรู้คือปล่อยผ่านไปสักต่ว่ารู้ปล่อยผ่านไปสักระวันรู้ปล่อยผ่านไปนั่นแน่นธรรมะมีแค่นี้เองปัจจุบนนันธรรม ต้องเป็นปัจจุบันนะทำทำต้องเป็นปัจจุบันถ้าไปรู้เรื่องในอดีตแสดงว่ามันมนเอาความจํามาคิดปรุงไปถ้าไปทุกข์กับกังวลกับอนาคตแสดงว่ามันเอาความจํามาคิดปรุงไปธรรมะปัจจุบันคือต้องรู้ในปัจจุบันแล้วก็ปล่อยผ่านไปในปัจจุบันรู้อะไรก็รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเรานี่แน่ที่ปรากฏในใจแล้วก็ผ่านไปผ่านไปคือรู้ในปัจจุบันก็เหมือนกับว่าเวลารูปเนี่ย เมื่อมีรูปปรากฏหรือผ่านมาตาจึงจะเห็นรูปแล่ารูปนั้นก็ผ่านไปเรียกว่ารูปปัจจุบันเสียงเสียงลงตาเนี่ยเสียงเก่าก็ดับไปพอมีเสียงใหม่พูดขึ้นอีกก็ได้ยินเสียงเสียงต้องเกิดก่อนจึงจะมารู้เสียงนั้นได้รูปต้องมาปรากฏก่อนตาจึงจะไปเห็นรูปนั้นได้เสียงต้องปรากฏก่อนหูจึงจะไปดินเสียงนั้นได้ทุกกริยาการภายในใจต้องปรากฏกริยาการมาก่อนถึงจะไปรู้กริยาการนั้นได้ ไม่ใช่เราไปรู้ก่อนสิ่งนั้นเกิดรู้ไม่ได้ปัจจุบันธรรมคือธรรมชาติตามปกติของเขาต้องมีรูปมาให้เห็นก่อนจึงจะจึงจะเห็นรูปต้องมีเสียงดังขึ้นมาก่อนจึงได้ยินเสียงไม่ใช่รูปจะไม่มาแต่ไปเห็นรูปก่อนแล้วเสียงยังไม่มาแต่ไปยินเสียงก่อนแล้วอย่างนี้ไม่ใช่มันต้องมีรูปมาปรากฏจึงเห็นรูปมีเสียงดังขึ้นมาจึงได้ยินเสียงมีกิริยาการของกิจเกิดขึ้นใจจึงจะไปรู้กิริยาการของกิจนั้น มันต้องรู้ปัจจุบันเนี่ยทําตามหลังอยู่เลยทามันเกิดขึ้นยานคือความรู้ยานตามหลังทำหรือยานตามหลังทำคือความรู้เนี่ยมันตามหลังทำคือทำที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันแล้วก็รู้ตามหลังรู้ตามหลังไม่ใช่ว่าเรื่องมันไปแล้วเราไปรู้ไล่รู้เรื่องนั้นไม่ใช่หมายว่ามันต้องมีสิ่งใดมาปรากฏก่อนแล้วยานก็รับรู้สิ่งที่ปรากฏนั้นก็เรียวกว่ารู้ตามหลังไม่ใช่ว่าไปไล่ตามคิดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วไล่คิดที่หลังอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่รู้ตามหลัง รู้ตามหลังคือมันต้องมีกิริยาการมาปรากฏขึ้นในใจเราก่อนแล้วจึงจะรู้ ก, กิริยาการนั้นผู้ปฏิบัติบ า, ต บ, าบางทีกิริยาการยังไม่เกิดขึ้นเลยไปจ้องดูไปคอยดูไปคอยเพ่งไปคอยควานหาแหละอันนี้มันยังไม่ได้เกิดกิริยาการให้มาปรากฏให้ได้รู้อาการเลยมันต้องรู้อะไรก็รู้อาการในปัจจุบันนเนี่ยมีอาการปรากฏถึงรู้อาการนั้นนี่อาการยังไม่ปรากฏเลยก็ไปควานแล้วไปตั้งรู้ไปเพ่งรู้ไปพยายามรู้มันไปเริ่มรู้ก่อนโดยที่อาการยังไม่ปรากฏมันผิดธรรมชาติ รูปจะไม่มาเนี่ยไปตั้งคอยดูรูปไปแล้วมันเป็นยังไงมันก็จะไม่เห็นรูปถึงรูปมันยังไม่มาแต่ตไปตั้งคอยดูรูปยังไง ร, รูปมันก็ไม่เห็นเพราะว่ารูปยังไม่มามันต้องรูปมาแล้วก็ตาก็เห็นเสียงมาหูก็ได้ยินกริยาการของใจมาใจก็รู้กริยาการนั้นไม่ใช่วะกริยาการนั้นไม่เกิดแต่เราไปควาดูก่อนแล้วไปตั้งรู้ไปพยายามรู้ไปเพ่งพยายามจะให้รู้ไว้อันนี้ผิดนะนะผิดธรรมชาติทำผิดธรรมชาติเข้าใจไหมล่ะ